จรยาปดกต่อจากครั้งที่แล้วพูดถึงอธิฐานธรรมสี่ประการสัจจาธิ่ฐานจารคาธิฐานอุปสมาธิฐานและก็ปัญญาธิฐานอธิฐานธรรมสี่ประการถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการสร้างบารมีแล้วก็บารมีแต่ละข้อแต่ละข้อก็เป็นธรรมที่ช่วยเสริมสร้าง อธิฐานธรรมให้อธิฐานธรรมนั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปทีนี้บารมีแต่ละข้อเนี่ยนะเราจะดูว่าบารมีแต่ละอย่างนั้นผู้ที่ปฏิบัตินั้นมีความเจริญขนาดไหนก็ดูจากอธิฐานธรรมอธิฐานธรรมนี้แปลว่าทำเป็นที่ตั้งนะอธิฐานเนี่ยแปลว่าทำเป็นที่ตั้งสี่ประการที่ตั้งทั้งสี่ประการคือสัจจะ จากค้าอุปสมะและปัญญานั้นถือว่าเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งรองรับพระพุทธคุณทั้งหลายผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงมีการเจริญอธิษฐานธรรมทั้งสประการในธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าจะนับหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปด้าสบได้อยู่แลวนั้นะ จะขาดคุณธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะนับตั้งแต่อะไรข้อแรกเลยผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มีประจำใจอยู่เสมอก็คือกรุณาเนี่ยนะมีความคิดที่มุ่งจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกนะเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายก็ปีความคิดว่ารับมาเป็นภาระแห่งตนแล้วจะช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไร การที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะจะต้องสะสมบุญสะสมญาณะเนี่ยนะนะนะจะต้องมีบุญเพียงพอแล้วก็ต้องมีปัญญาพอที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ก็เลยมุ่งขวนขวายในการสั่งสมบุญแล้วก็สั่งสมญาณนะคือปัญญานะต้องมีองค์ประกอบทั้งสองประการคือมีทั้งญาณมีทั้งปัญญาจึงจะช่วยสัตว์ทั้งหลายได้ แล้วก็มีอย่างอื่นอีกก็คือมีสุดจริต3เนี่ยนะปฏิบัติดำรงมั่นตั้งมั่นอยู่ในสุดจริต3ประการทั้งกายสุดจริตวจีสุดจริตและมโนสุดจริตมันไม่มีใครไปทำบุญที่อื่นได้นะสถานที่ที่จะทำบุญก็คือกายวาจาและใจเนี่ยนะการทำบุญด้วยกายวาจาใจกายวาจาใจที่เป็นบุญก็เป็นกายที่สุจริตคำพูดที่เป็นบุญก็ต้องเป็นวจีสุดจริต ความคิดที่เป็นบุญก็ต้องเป็นมโนสุดจริตทั้นความสุดจริตทั้งสาประการนั่นแหละเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวบุญเนี่ยนะก็ดํารงมั่นอยู่ในอธิฐานธรรม4ประการอธิฐานธรรมสประการเนี่ยนะที่เป็นคุณธรรมที่รองรับพระพุทธคุณทั้งหลายรองรับเรียกว่าฐานะนี่บางทีก็แปลว่าเหตุเนี่ยนะแปลว่าเหตุถ้าเหตุก็เป็นธรรมะกลมมูลราก ธรรมุธาลำต้นการตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรากของความเป็นพระพุทธเจ้าก็คืออธิฐานธรรมสี่ประการจะต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงรากเหล่านั้นก็คือสัจจะนะในหน้า652้อยห้าย่อหน้ากล่าวว่าสัจจาที่ฐานนั้นถือว่าเป็นฆ่าศึกต่อโทษสามอย่างโทษทั้งสมนั้นก็คื อ, อผู้ที่ มีสัจจะเนี่ยนะทั้งวาจาสัจวิรติสั จ, จะและยาณสัจจะสัจจะทั้งสามประการเนี่ยนะผู้ที่ดํารงอยู่ในวจีสัจจะที่จะกล่าวว่าจะให้ทานเป็นต้นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พูดเหลาะแหละเล้วไหลมีวิรติสัจจะก็เว้นจาความไม่จริงนะที่สมควรจะวิรัตงดเว้นเนี่ยนะแล้วก็มีญาณสัจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเห็นที่เที่ยงตรงต่อ สภาพที่เป็นจริงอสัจจะทั้งวาจาสัจ ว, วิรติสัจจะยานสัจจะนั้นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายส่วนจาคาที่ฐานท่านถือว่าเป็นค่าศึกต่อโทษเพราะว่าจาคาที่ฐานเนี่ยเป็นการกําหนดถึงการสละสละราคะสละโทสะแล้วก็สละโมหะเนี่ยนะอย่างเช่นผู้ที่ให้ทานเนี่ยนะจะให้ไม่ได้เลยถ้ายังกําหนัดติดข้องอยู่ใน วัตถุในวัตถุหรือในทายธรรมที่เราจะให้ถ้าหากว่าไม่ชอบผู้รับเราก็ให้ไม่ได้นะหรือไม่รู้ผลแห่งการให้ก็ไม่สามารถจะให้ทานได้หันจากคาทิฐานจึงดำรงมั่นที่จะสละราคาในทายาธรรมหรือของที่จะให้สละโทสะต่อผู้รับแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจเห็นผลเห็นอนิสงของการให้ อุปสมาธิฐานบอกว่าเป็นค่าศึกต่อโทษสามอย่างนะโทษสามอย่างเพราะอุปสมาธิฐานนั้นสงบราคะสงบโทสะแล้วก็สงบโมหะนั่นนะถ้าหากว่าไม่สงบราคะโทสะโมหะก็ไม่สามารถที่จะสร้างบุญบารมีได้สำเร็จปัญญาธิฐานนั้นเป็นค่าศึกต่อโทษสามอย่างที่กําหนดด้วยยานสามเนี่ยนะ ยานสามก็คือสุตตามยยายานจินตามมยายานแล้วก็ภาวนามายายานสุตตมยยายานเนี่ยนะก็กำจัดโทษคือการไม่มีสุตตจินตามมยายานก็กำหนดโทษก็คือความไม่มีจินตามมยปัญญาแล้วก็ภาวนามายญปัญญาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการไม่เจริญภาวนา พันอธิฐานธรรมคือปัญญาไม่ว่าจะเป็นสุตตามายะปัญญาจินตามมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อโทษสประการอธิฐานธรรมแต่ละข้อนั้นกำจัดข้าศึกกำจัดโทษอย่างละสามอย่างละสามเช่นสัจจาอธิฐานก็กำจัดโทษออกไปสมอย่างด้วยอนุภาพของวาจาสัจจะ วิรติสัจจะและก็ญาณสัจจะจารคาธิฐานก็สละราคาโทสะและโมหะออกไปอุปสมาธิฐานก็สงบราคาโทสะและโมหะปัญญาธิฐานก็มีเยสุตามมยญาณจินตามมยญาณและภาวนามายญาณกําจัดทุกโทษที่ไม่มียานทั้งหลายเหล่านี้จารคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานกําหนดด้วยสัจจาธิฐาน หมายค่ะว่าจาคะอุปสมะปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่มีสัจจาที่ฐานทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเช่นว่าถ้าไม่มีวจีสัจจะเนี่ยนะตัวเองเนี่ยพูดว่าจะให้หรือไม่เคยพูดว่าจะให้เลยไม่เคยมีความคิดที่จะให้เลยคนที่มีจาคะสละออกไปได้ก็เนื่องจากมีสัจจะเช่นว่าพูด พูดไม่ให้ผิดจากความเป็นจริงเพราะว่าได้เช่นว่าเคยพูดไว้แล้วว่าจะให้จะไม่ให้ได้อย่างไรอย่างพระเจ้าสีวิราชเนี่ยนะก็บอกก็เราก็บอกเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะให้อ่าแล้วเราก็ได้พูดไว้แล้วว่าจะให้ไอ้ที่เราจะเปลี่ยนว่าจะไม่ให้เราทำไม่ได้เนี่ยนะท่านก็ยังบอกว่าใครที่พูดว่าให้แล้วตอนหลังไม่ให้ก็เหมือนกับเอาบ่วงที่วางไว้ข้างล่างอ่ะมาสวมหัวหมายาว่าไอ้บ่วง บ่วงแขวนคอนะบ่วงที่แขวนคอเนี่ยปกติมันก็อยู่ข้างล่างอยู่แล้วมันตกอยู่กับพื้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราคําพูดเราพูดไว้แล้วว่าจะให้เสร็จแล้วก็ไม่ให้ก็เหมือนกับไปเก็บเอาบ่วงนะั้นมาแขวนคอตาอยเนี่ยนะเั็นคนที่พูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกมันเพราะเราได้พูดไว้แล้วว่าเราจะต้องให้อย่างอุปสมาที่ฐานเนี่ยน ะ, ะถ้าเราพูดไว้แล้วจะให้เนี่ยจะต้องสงบราคะสงบโทสะแล้วก็ สงบโมหะถึงจะติดในในของที่จะให้ขนาดไหนก็ตามก็ต้องให้อะ่ะเพราะพูดไว้แล้วว่าจะให้เนี่ยนะถึงของเหล่านั้นจะรักขนาดไหนเช่นดวงตาเนี่ยจะรักจะหวงแหนขนาดไหนแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็พูดไวแล้วว่าจะให้ก็ต้องให้ก็สงบราคาออกไปทีนี้โดยปกติอย่างที่ให้ไม่ได้ก็เพราะไม่ชอบคนรักไม่ชอบคนที่เขารับของก็ต้องสงบเนี่ยนะจะต้องพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง จนสงบโทสะและเอาของที่ตัวเองรักเนี่ยให้แก่เขาได้ทั้งๆที่ว่าพื้นฐานจริ ง, รงๆถามว่าชอบพอไหมบอกไม่ชอบอย่างเช่นพระเวสสันดรให้ทานแกชูชกเนี่ยนะชูชกเนี่ยเป็นคนที่หน้าภาษาชาวบ้านอย่างหน้าพิสวาตขนาดไหนบอกไม่มีเลยเนี่ยน ะ, ะชาลีท่านบอกว่าโหบุรุษโทษ18ประการมีอยู่ในชูชกเนี่ยนะคิดว่าพิจารณาในแง่ ม, มุมใดๆก็น่าเกลียดเหลือเกินแต่ว่าพระเวสสันดรท่านก็สงบโทสะ มองเห็นว่าชูชกนี่แหละคือคนที่จะทำให้ความปรารถนาท่านสำเร็จ ท, ท่านสงบได้ขณะเดียวกันท่านบอกว่าจะให้แม้แต่ชูชกจะเอาลูกของท่านไปทำอะไรท่านก็ยอมเพราะท่านบอกว่าท่านจะให้ท่านก็สงบโทสะได้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่บางครั้งเกิดความเกลียวกลาดขึ้นมาก็คมใจตัวเองเนี่ยนะมใจจนสงบโทสะได้จริงๆแล้วก็สงบโมหะเพราะว่ารู้รู้ความเป็นจริงของอของการให้ แล้วก็ปัญญาที่ฐานเนี่ยนะคนที่มีสัจจะคนที่มีสัจจะเนี่ยจะทําให้ปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นฝ่ายรู้ฝ่มีปัญญาถามว่าความจริงทั้งหลายเนี่ยนะรู้ด้วยความโง่เขลาใช่ไหมบอกไม่ใช่เนี่ยนะแล้วคนที่มีความฉลาดจริงๆริะรู้อะไรรู้รู้ความหลอกลวงใช่ไหมบอกไม่ใช่ก็คือคนที่รู้ความจริงเพราะัน อธิฐานธรรมธรรมที่ตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นจ า, า้ะอุปสมะหรือปัญญาการเสียสละความสงบหรือความรอบรู้นั้นอาศัยสัจจะสัจจะนี่แหละทาให้ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงแล้วก็เพราะมีสัจจะนั่นแหละจึงมีการปฏิบัติตามที่ปฏิญญาตามที่กล่าวตามที่พูดก็เพราะมีสัจจะนั่นแหละจึงมีการให เพราะมีสัจจะจึงสงบราคะโทสะและโมหะเพราะมีสัจจะนั้นจึงพอกพูนความรู้พอกพูนสติปัญญานะสรุปว่าจากาทิฐานอุปสมาทิฐานปัญญาทิฐานกาหนดกาหนดรอบรู้ด้วยสัจจะหรือคุณธรรมทั้งสามประการเหล่านี้เจริญ ง, งอกงามเจริญ ง, งอกเงยโดยอาศัยสัจจะนั่นเอง ส่วนจาคาทิฐานอุปสมาทิฐานและปัญญาทิฐานอันนี้กำหนดด้วยจาคาทิฐานจาคานี่แหละเป็นตัวทำให้สัจจะสำเร็จบริบูรณ์จาคานี่แหละทำให้อุปสมะสาเร็จบริบูรณ์จาคานี่แหละทำให้ปัญญาสำเร็จบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าสละสิ่งที่เป็นปฏิปักจารคานี่คือความเสียสละถ้าไม่มีความเสียสละ ถ้าไม่ใช่นักเสียสละจริงๆเนี่ยนะอย่างพูดว่าจะให้เนี่ยจะให้ไหมไม่ให้หรอกบางทีก็พูดพูดไปอย่างนั้นแหละแต่บางคนเนี่ย อ, อย่างที่เขาเรียกว่าทางทางแวดวงของพระเนี่ยจะเห็นบ่อยโยมที่เขาชอบมาโปรยยาหอมถวายวัดเอาไว้เนี่ยน ะ, ะเดี๋ยวโยมจะมาสร้างโนง้เดี๋ยวโยมจะมาทำนี่เดี๋ยวโยมจะโอ้ยว่าถ้าจนถ้าพระเชื่อนี่น่าจะอะไรนะเสียหายเลยแหละถ้าไปพูดตามนี่เสียพระเลยแหละเชื่อเหรอ พรนพวกนี้ก็โปรยวาจาว่าไปเรื่อยแต่ถ้าไม่ใช่นักเสียสละจริงๆก็ยากที่จะทําอย่างที่พูดเพราะันไอ้ความที่เป็นนักสละความที่มีจากทะนั่นแหละจึงได้สละตามที่พูดเนี่ยนะพันสัจจาที่ฐานนั่นกําหนดหรือสําเร็จได้ด้วยจากทะจากทะเป็นตัวทําให้สัจจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะพันพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านพูดว่าจะให้ที่ท่านให้ได้จริง เพราะท่านดำรงมั่นอยู่ในจากาก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละท่านจึงดำรงอยู่ด้วยความสงบได้ถ้าคนที่ไม่มีสันชติหรือไม่มีอัทยาศัยแห่งนักเสียสละนักบริจาคจริงเนี่ยนะยากที่จะอยู่ด้วยความสงบเพราะนั้นการดำรงอยู่ด้วยความสงบเนี่ยต้องอาศัยเกิดจากการเสียสละอย่างที่แบบชาวที่คุ้นเคยในชาดกก็คือบุคคลพึงสละทรัพเพื่อรักษา อวัยวะหรือเอาแบบธรรมนาก็คือสละสิ่งส่วนน้อยเพื่อรักษาสิ่งส่วนมากแล้วก็ถ้าสละทรัพย์ออกไปเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตบุคคลเมื่อจะต้องคุ้มครองรักษาธรรมก็ต้องสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตด้วยพผลความที่สามารถสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงสงบมั่นดํารงมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งหลายทีนี้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะ ปัญญาจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยการอาศัยอะไรอาศัยจากคะอย่างความรู้ทั้งหลายเนี่ยเกิดลอยลอยใช่ไหมความรู้ทั้งหลายเนี่ยได้มาได้อย่างไรอย่างคนที่เขามีความรู้ทั้งหลายเนี่ยนะเขาได้มาโดยที่เรียกว่าความรู้หล่นทับนะฝันได้มาหลับตื่นหนึ่งเ่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ฉลาดเลยไม่ใช่ ก็เกิดจากความเสียสละทั้งหยาดเหงื่อแรงกายทุ่มเทเต็มที่นสละอย่างอื่นทั้งหมดเพื่อรวบรวมปัญญาเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าอย่างสมมติคนที่ไปศึกษาในที่ไกลๆเนี่ยจะต้องสละถิ่นฐานบ้านช่องสละอย่างอื่นทั้งหมดเพื่อที่จะไปสแสวงหาปัญญาฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านก็สละทุกอย่างเพื่อสแสวงหาปัญญาสแสวงหาโดยเฉพาะปัญญาคือพระสัพพัญญุตยาน สัพพัญญุตญาณ น, นั้นเกิดจากความเสียสละอาศัยความเสียสละนี่แหละทำให้ปัญญาดำรงมัน่นคิดง่ายๆก็คือว่าเพราะความเสียสละนั่นแหละจึงดำรงมั่นอยู่ในสัจจะเพราะความเสียสละจึงดำรงอยู่ในความสงบอยู่ได้เพราะความเสียสละนั่นแหละทำให้มีปัญญาเนี่ยนะท่านคนที่ไม่มีความเสียสละเลยเนี่ยนะปัญญาไม่เกิดเนี่ยนะว่าปัญญาไม่ยอมทางานเลยว่างั้น เพราะความสละในสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์นั่นแหละจึงทำให้สัจจะดํารงมั่นอุปสมะดารงมั่นปัญญาดํารงมั่นแล้วก็สัจจะที่เจริญขึ้นอุปสมะที่เจริญขึ้นปัญญาที่เจริญขึ้นก็เนื่องจากมีจากะเนี่ยนะสละได้ทุกสิ่งนะสละทุกอย่างเพื่อรักษาเช่นพระโพธิสัตว์มาว่าท่านสละทุกอย่างนะเพื่อรักษาสัจจะสละแม้กระทั่งชีวิตอย่างเช่นใน สุดสมใช่ไหมพระเจ้าสุดสมเนี่ยสละทุกอย่างเลยนะเพื่อตามรักษาสัจจะแล้วก็อย่างชาติที่รักษาศีลเนี่ยนะชาติที่รักษาศีลที่สงบจากการดา่าการเคี่ยนตีของผู้อื่นก็ต้องเสียสละร่างกายสละเลือดสละเลือดออกไปเพื่อที่จะสงบอยู่ในสงบอยู่ในอะไรสงบอยู่ในกุศลศีลออกไปได้ทีนี้ชาติที่สแสวงหาปัญญาเนี่ยก็ต้องทุ่มเทสละทุกอย่าง นะเพื่อที่จะได้สุตมยะปัญญาจินตามะยปัญญาและภาวนามยปัญญาต่อไปสัจจาทิฏฐานจาคาทิฐานปัญญาทิฏฐานกําหนดด้วยอุปสมาธิฐานเพราะสงบจากความเร่าร้อนคือกิเลสสงบจากกามสงบจากความเร่าร้อนคือกามอุปสมาธิฐานการดํารงมั่นอยู่ด้วยความสงบเนี่ยไง เป็นตัวที่ทำให้สัจจะเนี่ยจเจริญถ้าคนที่ไม่มีความสงบเลยเนี่ยนะสัจะจะจะเจริญไหมไม่จเจริญคนที่ไม่มีความสงบจะสะละได้ไหมบอกยากคนที่ไม่มีความสงบลุกๆลกลุก ล, ก, ลกเนี่ยนะปัญญาจเจริญได้ไหมบอกว่ายากเพราะฉะนั้นความสงบนี่แหละเป็นเหตุให้สัจะจะเจริญจาคะฆเจริญปัญญาจเจริญ เพระอุปสมะก็คือสงบความเร่าร้อนที่เกิดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายสงบความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสคือความเศร้าหมองความหม่นมองความขุ่นมัวสังเกตดูว่าขณะไหนที่เราอกุศลมันกลุ่มรมเนี่ยนะอกุศลมกลุ่มลมหรือความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นความเครียดความหงุดหงิดความน้อยใจความไม่สบายใจความรำคาญใจความอึดอัดความคับแคบทางจิตใจเนี่ยนะความเศร้าโศกความ สรุปว่ากังวลก歪าาความหงุดหงิดเดือดร้อนเป็นต้นเนี่ยนะสัจจะเนี่ยมันแทบไม่เหลือหรืออยู่ในใจเลยบางทีเนี่ยอะไรนะเคยพูดว่าจะทำโน่นทนํานี่แม้พอป่วยทางความคิดเข้าหน่อยบอกไม่เอาละนะนะเรียกว่าถอนถอนแบบถอนยวงเลยนะบอกไม่เอาละเพราั้นถ้าหากว่าสงบความเร่าร้อนทางจิตใจสงบความกังวลก歪าาทางจิตใจสงบบาปอากุศลธรรมที่เกิดจากเรื่องราวทั้งหลายได้สัจจะก็จะดํารงมั่นเนี่ยนะ แล้วก็คนที่สงบจากบาปอกุศสลธรรมได้จากะก็จะมีกำลังนะเราก็สามารถที่จะให้ทานได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าอย่างโทสะเกิดขึ้นเนี่ยให้ทานก็ให้อย่างไม่มีความสุขหรือว่าโมหะเกิดขึ้นรุ่มหลงเนี่ยนะให้ทานก็ให้แบบไม่มีความสุขหรือแม้กระทั่งว่าถ้าจิตใจไม่ดำรงมัน่น ฟังธรรมก็ยังไม่มีความสุขญญเพราะงั้นปัญญาก็ไม่เจริญสุตตะมยาปัญญาก็ไม่เจริญเจนตามายาปัญญาก็ไม่เจริญภาวนามยาปัญญาก็ไม่เจริญถ้าไม่มีความสงบน่นะนะเพราะฉะนั้นอะุปสมาทิฏฐานเนี่ยช่วยช่วยเกื้อกูลต่อปัญญาที่ฐานให้ปัญญาที่ฐานนั้นดํารงมัน่นเพราะอุปสมาทิฏฐานความสงบบาปสงบอกุศล นะสงบกิเลสก็คือสงบไขไม่ขึ้นนะนะถ้าไข้ขึ้นสัอย่างไขทางความคิดมันขึ้นแล้วก็โอ้ยปัญญาไม่รูห้หายหน้าายตาเป็นอะไร ห, หมดเคยฉลาดอยู่ดีๆีเนี่ยก็เหมือนอะไรนะคนเคยแข็งแรงมากมายเพราะไขมันขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเท่านั้นแหละหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนี่ก็เหมือนกันถ้าโรคคือบาปโรคคืออกุศลโรคคือกิเลสมันมากลุ่มรวมทําให้ขาดความสงบสัจจะก็ไม่ดํารงมัน่นจากะการเสียสละก็ไม่พอ แล้วก็ปัญญาก็ไม่ดำรงมัน่นต่อไปบอกว่าสัจจาทิฐานจาคาที่ฐานและอุปสมาทิฐานกําหนดด้วยปัญญาที่ฐานเพราะทุกอย่างมียานถึงกรแล้วก็หมุนไปตามยานใครที่มีสัจจะจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดเลยถ้าไม่มีปัญญาใช่ไหมมันเที่ยวพูดมั่วไปหมดวันหนึ่งพูดไม่รู้กี่ร้อยเรื่อง แล้วแต่ละเรื่องพูดในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งเครียด น, ยนะนะพวกนี้ก็ขาดปัญญาเนี่ยนะพวกที่ขาดปัญญาเนี่ยแหมรักษาสัจจคุณรักษายากเหลือเกินบอกทําไมจะไม่ยากเพราะคําพูดไม่มีรั้วรอบขอบชิดคําพูดพูดไม่ได้คิดก่อนเลยแล้วก็พูดพูดพูดพูดไปเรื่อยเสร็จเออแล้วเราทําไม่ได้พวกนี้ก็ต้องมีปัญญาก่อนเนี่ยนะไคร่ครวรพิจารณาให้รอบคอบก่อน เมื่อมีปัญญาพิจารณาไคร่ครวญโดยรอบคอบทุกคําที่พูดไปเนี่ยนะมันก็เป็นความจริงสัจจะก็ดํารงมัน่นอย่างคนที่รักษาวาจาเนี่ยนะวาจาเนี่ยวาจาเนี่ยปกติท่านบอกว่าวาจีสังขารวาจีสังขานี่เกิดจากวิตกวิจารณ์เกิดจากวิตกวิตกเป็นเหตุแห่งวจีสังขารวิตกเนี่ยคล้อยไปตามปัญญาถ้าปัญญาไม่ดีพอถ้าสัมมาทิฏฐิไม่ดีพอเนี่ย คำพูดนี้หลุดล่วงหลุดลุ่ยไปหมดอ่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางธรรมะด้วยแล้วนี่มีความสําคัญมากเพราะว่าคนโดยมากพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่ก็เหมือนกันพูดให้เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดทําไมก็ไม่รู้พูดและจบที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยากพูดเท่านั้นเองคือไม่เกิดการใค ร, คร่ครวญพิจารณากรเมื่อไม่มีการพิจารณาใคร่ควรวญให้รอบคอบคําพูดก็ไมรู้มันจะเป็นลงอริยสัจได้อย่างไรเนี่ยนะอย่างเช่นว่า ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยนะถ้าขาดปัญญาคําพูดเนี่ยนะคิดหรือว่าพูดแล้วจะจะมีวจีสัจจะคนที่พูดจะมีวจีสัจจะไหมพูดแล้วยังศีลของตัวเองยังเหลืออยู่ไหมบางทีพูดไปพูดมาเนี่ยรักษาศีลอยู่ดีๆศีลหายร่วงไปหมดเลยหรื อ, อที่พูดไปนั้นเนี่ยนะถ้พูดแล้วมันรู้อริยสัจได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องหมั่นทบทวนว่าเพราะปัญญาเนี่ย เป็นเหตุให้วาจาสัจจะดารงมั่นต่อไปเป็นเหตุให้วีรติสัจจะคือศีลเจริญงอกงามแล้วก็เป็นปัญญาเป็นบาทเป็นรากเป็นฐานให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจพนันปัญญาที่ฐานเป็นเหตุให้สัจจาที่ฐานดารงมั่นแล้วก็ปัญญาที่ฐานเนี่ยเป็นเป็นเหตุที่ทำให้จาคาที่ฐานเนี่ยดำรงมั่นเพราะว่า นักเสียสละทั้งหลายถ้าไม่มีปัญญาพอยากที่จะให้ให้ได้บ่อยให้ได้มากแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือคนที่ให้บ่อยให้มากแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องย้อนกลับมาใหม่นะว่าปัญญาที่ฐานเนี่ยนะเป็นเหตุให้ อ, อจากคาที่ฐานเนี่ยจเจริญขึ้นเพราะว่า เกี่ยวข้องกับการให้ให้เนี่ยนะโดยเฉพาะให้วัตถุภายนอกคือทั้งให้วัตถุทานให้อภัยทานหรือให้ธรรมทานก็ตามเนี่ยนะคนที่จะให้ได้บ่อยให้ได้มากแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องในท่ามกลางโลกที่เรียกว่าคือคือคนทั่วทไปเนี่ยอ้างเหตุการณ์ปกติในโลกเป็นอุปสรรคในการให้ได้นนให้วัตถุทานอย่างเช่นคนไม่ให้วัตถุทานอ้างว่าหนาว หน้าหนาวให้ไม่ได้หน้าร้อนก็ให้ไม่ได้ร้อนไปแล้วก็หน้าฝนก็ให้ไม่ได้เพราะว่าฝนตกอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างฝนอ้างกลางวันอ้างกลางคืนหรืออ้างสังคมสิ่งแวดล้อมจนไม่สามารถให้วัตถุทานได้หรือบางทีที่ไม่ให้วัตถุทานเนี่ยนะอาจจะอ้างปัญหาอ้างสุขภาพอ้างข้าวของเครื่องใช้อ้างสารพัดจนไม่สามารถที่จะให้ได้อันนี้เรียกว่า ไม่มีปัญญาที่ฐานแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยนะจะเกิดเหตุการณ์เหล่าใดเหล่าใดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการให้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในการให้เพราะท่านมีวิธีคิดท่านมีวิธีพิจารณาจนสามารถให้ได้บ่อยให้ได้มากแล้วก็ให้อย่างกว้างขวางก็เพราะมีปัญญานี่แหละท่านจึงให้อภัยทานได้อย่างการรักษาศีลเนี่ยนะการรักษาศีลเนี่ย ไม่ใช่ว่าอุปสรรคนน้อยในโลกนี้ถ้าใครที่รักษาศีลแค่วันสองวันอาจจะไม่เห็นปัญหาไม่เห็นอุปสรรคแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลได้บ่อยได้ยาวและต่อเนื่องรักษาศีลปริมาณมากจํานวนมากในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ทุศีลเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ยากที่จะรักษาอภัยทานคือรักษาศีลต่อไปได้ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อไม่ใช่ว่ า, าจะรักษาได้ง่ายแล้วต่อไปโดยเฉพาะธรรมทานเนี่ย ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้แล้วก็ให้ก็ไม่ใช่ว่าผู้อื่นเขาเต็มใจจะรับที่ไหนถ้าผู้ให้ไม่มีบุญไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถก็ยากที่จะให้เขาได้สำเร็จแล้วก็ถ้าไม่มีปัญญาจริงก็ยากที่จะดำรงอยู่ด้วยความสงบได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสงบได้ก็อาศัยปัญญาเพราะมีปัญญานาหน้ามีปัญญามาถึงก่อนสัจจะธิฐานจึงดารงมัน่น จาคาที่ฐานจึงนำรงมั่นและอุปสมาที่ฐานจึงนำรงมั่น